บุ <Book> 2> ก<ะ> 2. เรียนอ่านและเขียนเลก่กีสครบดิฉันอ่านมิเลกสัสดิฉันอ่านจดหมาย ดิฉันอ่านคำศัพท์มสลอร์ดิฉันอ่านประโยคมิฟรดิฉันอ่านจดหมายมิสเลเทร์นดิฉันอ่านหนังสือ มิเลก a s ลิบรองดิฉันอ่านมิเลก a s คุณอ่านมิเลก a s เขาอ่านลิเลก a s ดิฉันเขียนมิสครีบัส ดิฉันเขียนจดหมายมิสคริบัทดิฉันเขียนคำศัพท์อดิฉันเขียนประโยคดิฉันเขียนจดหมายม ดิฉันเขียนหนังสือมิ s c r i b a s ล i บรอนดิฉันเขียนมิ s ค r i b a s คุณเขียนม i s c r i b a s เขาเขียน Liscribas